ขอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาสีปทุมกำลังนำเสนอประวัติพระเทระอราหารันโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคนเล่นไปที่ระดับอตทธัคคะือที่พระพุทธเจ้าส่งยกจ้องไว้ ในฐานะพิเศษคือเป็นยอดแห่งภิกษุทั้งหลายในฐานะนั้นนั้นก็มีพระประวัติพระเทระองค์หนึ่งก็คือพระอนุรุษซึ่งเลิศในทางที่เป็นยักษุมีศักดิ์เป็นลูกผู้น้องของพระพุทธเจ้า ก็เป็นกษัตริย์ที่เรียกว่าละเอียดอ่อนคือสุคุมารชาติได้รับการเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีขนาดคำว่าไม่มีเนี่ยท่านไม่เคยได้ยินจนเมื่อพระเจาพัทยะซึ่งเป็นพี่ชาย ก็บอกว่าบรรดาราชวงศ์ในแต่ละสะกุลนั้นได้ออกบวชโดยสเสด็จพระพุทธเจ้ากันเป็นจำนวนมากแล้วเพราะในครอบครัวของเราก็ต้องบวชคนหนึ่งคือพี่จะบวชหรือว่าน้องจะบวชตอนแรกกั น, นรุธาก็ไม่ยอมบวช ไม่เห็นความจำเป็นแล้วก็ไม่เข้าใจในเรื่องของการบวชพิชายก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นพี่ก็จะบวชเองพิชายนั้นชื่อมานามะนะไม่ใช่พัติยะพัติยะเป็นเพื่อนกันมานามะเป็นพี่ชายซึ่งก็เป็นกษัตริย์ครองกบินลพัฏต่อมา จากพระเจ้าสุโธธนะาก็น่าจะต่อจากพระเจ้าพัติยะด้วยซ้ำไปเพราะว่าพระเจ้าพัติยะเองก็ได้ออกบวชพร้อมกับมานุรุทธะเหมือนกันพระเจ้ามานามาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าน้องจะครองเรือนพี่ก็จะบวชแต่ว่าน้องก็เป็นกษัตริย์ที่ละเอียดอ่อน ไม่เคยรู้เรื่องการงานอะไรเลยกพราควรจะมาเรียนวิชาที่เกี่ยวกับการทำงานประกอบอาชีพครองเรือนถ้าก็สอนเรื่องการทำน า, าสอนไปสอนมาปรากฏว่าหมุนุนอยู่ตลอดชีวิตเลยอันรุ้ธาถามมาแล้วเมื่อไรจะจบเนี่ยแต่ก็บอกไม่จบหรอก จบก็เมื่อเราตายไปก่อนอานุรุ ธ, ธาก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็หาสะยะสาระประโยชน์ที่เป็นแก่นสารจริงๆนี่ได้ยากก็ใ น, นที่สุดเลยก็ขอบวชและการต่อมาก็บำเพ็ญเพียรบรลุมคลเป็นพระหรัน บวชร่วมกันในคราวนั้นก็เจดท่านเดย ก, ก็มีพระนุนพระปคุพระกิพิลาพระพัติยะพระอนุรุตธถ ะ, ะเทวทัตแล้วก็อุบาลีเนละท่านนั้นเราจะเห็นว่าบวชไปแล้วก็มีบทบาทเด่นพระอนุรุตถะก็มีบทบาทเด่นพระนุนก็มีบทบาทเด่นพระอุบาลีก็มีบทบาทเด่น พระเจ้าพัยาเองก็มีบทบาทเด่นพระประกักกุกิมพิละก็เหมือนกันคือเป็นพระหัน์แต่ก็เด้นในทางเสียอยู่ท่านหนึ่งก็คือเทวทัตอย่างที่เราทราบกันแต่ว่าการเล่าของพระอภิธตราจารในแนวนี้ก็แนวเดียวกับเรื่องของธรรมบท เรื่องของเทราคาถาเทรีคาถาพุทธวงศ์อะไรเนี่ยคือจะแนวเดียวกันคือจะย้อนไปสู่เรื่องอดีตก่อนอดีตที่เป็นเหตุให้ท่านมาได้ปัจจุบันอย่างนี้แล้วออกบวชประสบความสาเร็จอย่างนี้มันเป็นผลของอดีตกรรมที่บาเพ็ญบา ร, รมีมาเนิ่นนานยาวไกล ส่านล่าว่าพระนุรนไลสั่งสมบุญกุศลไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อนหลายพระองค์แต่มาเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆคือเอาเรื่องอาราวจริงๆก็คือสมัยพระพุทธเจ้าทรงประดามว่าปฐุมมุตระ หราจะพบว่าสามองค์ที่เล่ามาแล้วก็เริ่มบำเพ็ญบารมีตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพ ร, ระอรหันต์ในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุตุปทุมุต ร, ระด้วยกันในชาตินั้นท่านได้เกิดเป็นกระดุมพีที่สมบูรณ์ได้ทรยบสมบัติวันหนึ่งได้ความธรรมในสำนักของพระาศาสดา ก็เห็นพระพุทธเจ้าทรงประนามว่าปิดปฐุมุตระส่งแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีทิพยจักสุกก็เกิดชอบเกิดอยากจะได้ตำแหน่งอย่างนั้นบ้างแต่ว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งก็จะมีสาวกที่โดดเด่นอย่างนั้นก็มีเพียงองค์เดียวและท่านก็รู้กําลังของท่านว่าอย่างไรยังไ ง, ง, ไงท่านก็ไปไม่ถึงสุนั้นหลก ก็ะ้องขอตั้งความปรารถนาที่จะเป็นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในศาสนาของพระพุทธเจ้าปรุงใดปรุงหนึ่งในอนาคตโดยได้รับการยกย่องวันเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางที่ได้ทิพยจักสุปจึงได้ถวายทานคือสร้างเหตุก่อนนะฮะสร้างเหตุก่อนเดชส่วนใหญ่สุดมากก็จะเป็นการถวายทาน แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็พระสงค์จำนวนมากตลอดเจ็ดวันในเจ็ดวันเนี้ก็ได้ถวายผ้าอย่างดีเยี่ยมแก่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ก็ทำความปรารถนาว่าพระาศาสดาทรงเห็นว่าความปรารถนาของเขาจะสมเร็จโดยไม่มีอันตรายจึงได้สรงพยากรว่า ในอนาคตผู้นี้จะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีทิฏฐิจักสุในศาสนาของพระสมัสัมพุตเจา้าทรงพระนามว่าโคตมะหรือโคดมต่อจากนั้นเขาก็ได้ทำบุญทั้งหลายไว้ในภพนั้นด้วยแล้วก็ต่อเนื่องกันนะฮะคือไม่ได้มาความว่าทำคราวนั้นแล้วก็หยุดก็ทำต่อเนื่องกันมา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงประนามว่าปตุมุต ร, ระเสด็จอขันทันปณิพัน์ก็มีการสร้างเจ ด, ดีย์คือสมัยโบราณเนี่ยเขาสร้างเจ ด, ดีย์ไว้ในจุดเดียวซึ่งผิดกับความคิดในยุค ข, ของพระพุทธเจ้าหรวนิพานในครั้งแรกก็กระจายไปเจ็ดแปดนคร และในการต่อมาก็กระจายไปในส่วนต่างๆของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างที่เราทราบกันเมื่อพระเจดีสูงประเจดีทองสูงเก้าโยน์สม็จจึอได้ทำการบูชาด้วยประชีพอย่างมากมายและก็เต็มไปด้วยประชีพและตัวเรือนประชีพหลายพันดวงด้วยอธิษฐานว่า ผลแห่งการบูชาด้วยประทีบนี้จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่ทิพกสุขด้วยเถิดคืออย่างที่บอกนะว่าในการนีของทานเนี่ยมันอยู่ในรูปของมรรคท่านเท่าใดมรรคตนเท่านั้นการให้ประทีพเป็นการให้ปัญญาแก่ท่านเป็นการให้แสงสว่างแก่ผู้ที่เราบูชาก่อน แต่แสงสว่างที่เราบูชานั้นเป็นแสงสว่างจากไฟแต่ผลบุญที่เราได้นั้นเป็นแสงสว่างคือปัญญาเป็นประชีพคือปัญญาแล้วก็มีอายุการใช้งานเนี่ยแตกต่างกันมากคือเทียบแล้วนี่ต้นทุนมันก็ไม่มากต้นทุนในการบูชาด้วยดวงประชีพท น, นั่นเอง ก็อย่างที่มีการบูชากันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ที่เป็นแสงสว่างก็คือเทียนเวลานี้ก็ใช้เคฟ้ากันก็อยู่ในประเภทของแสงสว่างท่านก็ปรารถนาที่จะได้ทิพยสุขด้วยผลของการบูชาด้วยประทีพนั้น จากนั้นมาก็ได้ทำบุญตลอดชีวิตแล้วก็โดยอำนาจของบุญกุศลก็ท่องเที่ยอยู่ในสังสารวัติเป็นเวลานานแาต่ก็ผ่านมาจากพระพุทธเจ้าทรงประนามว่าปตุมุตระระหว่างตรงนั้นไม่ได้พูดถึงว่าทำอะไรเพราะถ้าเล่ารายละเอียดมันเป็นประวัติชีวิตของคนแต่ละชาตินะฮะ แล้วก็ชาติไม่รู้สักกี่ร้อยชาติกี่พันชาติกี่หมื่นชาติกี่แสนชาติตั้งก็มาถึงาศาสนาของประกศาศสปะสมมาสมพุทธเจ้าคือก่อนพระพุทธเจ้าของเราก็ได้เกิดในเรือนของกุลุมพีในนครสาวัตชีก็เมื่อรู้ดีงสาแล้ว เมื่อศาสดราเมื่อพระศาสดาดับขันระบนิพพานเมื่อพระสูสรบบ พ, ระสรพระสถุสทองสูงหนึ่งยดสมเร็จแล้วจึงได้สร้างถาดสมฤตเป็นจำนวนมากแต่บรรจุก้นอนเนยใสอย่างดีจนเต็มแล้วก็วางงบน้ำอ้อยไว้ตรงกลางช่องเป็นกน้อนๆวางรอบระเจดีย์ ห้ขอบปากกับขอบปากชนกันตัวเองได้สร้างถาดสมฤทธิ์ขนาดใหญ่ไว้ถัดหนึ่งบรรจุก้นเลยใสอย่างดีเต็มแล้วก็จุดใต้จุดไส้ตะเกียงพันพันไ้ไว้ก็หมายความว่าเป็นการบูชาขนาดใหญ่แล้วก็ต่อเนื่งองอนึกดูว่าสมัยโบราณ น, นะฮะไม่ใช่สมัยปัจจุบัน สมัยปัจจุบันเปิดไฟฟ้าให้สว่างไว้มันก็เป็นการบูชายอยู่ตลอดแต่ว่าท่านเหล่านี้พอไส้มันหมดขายมันหมดมันก็ต้องมีการเติมแล้วก็เทินไว้บนศีรษะแล้วก็เดินเวียนรอบไปเจดีตลอดคืนอย่างรุง่งแบบเวียนเทียนนั่นแหละแต่ว่าเวียนรอบ แล้วก็เดินเวียนภาวนาไปอิาาปติปิโสสวากาโตสุปฏิปโนเงี้ยเขภ า, าวนาไปตลอดคืนอย่างรุง่งก็ได้ทํากุศลในอัตภาพนั้นจนตลอดชีวิตด้วยการอย่างนี้แล้วก็จุติจากอัตภาพนั้นไปเกิดในเทวโลกดํารงอยู่ในเทวโลกนั้นตราบจนสิ้นอายุแล้วก็จุติจากเทวโลกนั้น แต่เกิดในสกุลเข็นใจในพระนครภาราณสีนั่นเองเมื่อรูพธเา้ายังไม่ได้อุบัติขึ้นเขามีชื่อว่าอันนาภาละได้ทำการรับจ้างอยู่ในเรือนของสุมนณาเศรษฐีเลี้ยงชีพบันหนึ่งได้เห็นพระประเจับพุทธเจ้าพระนามว่าอริฐะออกจากนิโรธสมาบัติ พอจากภูเขาคันธมาศมาลงใกล้ประตูพนอลคอนแพรนซีก็โหมจีวอนบินทบาทในเมืองก็มีจิตเลื่อนสระบาดแล้วก็ใส่พัตาหารที่เขาแบ่งไว้เพื่อตนเองส่วนหนึ่งในบาทประรบจที่จะถวายแก่พระปัจฏิคุทธเจ้ากว่ายพัญญาของเขาก็ได้ใส่พัตาหารส่วนของตนในบาทนั้นด้วย ก็นำบาทนั้นไปถวายใส่มือพระปฏิเจ้าพุทธเจ้าพระปฏิเจ้าพุทธเจ้ารับบาตรทันแล้วอนุโมทนาแล้วก็กลับไปคือเราจะเห็นว่าระหว่างาศาสนาหนึ่งกับาศาสนาหนึ่งมันห่างไกลกันเป็นพุทธันดรนหรือพระกัสปะสมาสมุตติจ้าก่อนพระพุทธเจ้าของเราก็จริงแต่ว่ามันห่างเป็นพุทธันดร ก็ในช่วงนั้นและช่วงที่ว่างาศาสนาคือาศาสนาของประกศาศ ส, สัปปะสมมาสมุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้ส่งบัญญัติพระวินัยไว้ทาหน้าที่แทนาศาสนาแทนพระองค์เพราะเมื่อภิกษุรุ่นที่พระองค์ทรงบวชให้สิ้นชีวิตไปก็ไม่มีการบวชสืบต่อเพราะว่าไม่มีรูปแบบของการบวช ไม่มีวินัยที่เกี่ยวกับการบวชมันก็บวชไม่ได้ศา ส, สนาก็เสื่อมแต่ว่าพอดีท่านบอกว่าประชนพรรษาของประกาศสปะสมาสถสมุติเจ้านั้นยืนถึงสอง0มื่นปีก็แสดงว่าศาสนายังยืนมาสอง0มื่นปีกว่าเพราะว่าพระเจ้านิพพานไปแล้วก็ยังมีพระสงฆ์รุ่นต่างๆสืบต่อกันมาจนกว่าจะ สิ้นอายุไปทั้งหมดศา ส, สนาก็เสื่อมเมืม่อมาถึงตรงนี้ก็อยากจะแวะในจุดหนึ่งซึ่งมีปัญหาในตอนปลายเดือนธันวาคมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็มีการนำมาวิพากวิจาร์กันที่ประเทศไทยโดยนักหนังสือพิมพ์ นะสื่อพิมพ์วก็เก่งทุกเรื่องนะเขาไปจานได้ทุกเรื่องก็รู้ทุกเรื่องเขียนได้ทุกเรื่องรู้หรือไม่รู้ไม่รู้ก็เขียนไปงั้นนะ่ะคือพระผู้หลังที่บวชในสำนักของพระอาจารย์ชาคือสายพระอาจารย์ชาแล้วท่านจัดได้มีการบวชเป็นภิกษุณีคือบวชผู้หญิงผู้หลังนั่นแหละเป็นภิกษุณี สี่หรือห้าท่านเนี่ยแต่เป็นวิธีการบวชที่แปลกมากแล้วก็ไม่มีในธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาไม่มีรูปแบบเลยโดยให้ภิกษุณีที่มาจะต่างประเทศจะมาจากประเทศอะไรไม่ทราบภิกษุณีมีรูปเดียว แล้วการเป็นทุนีของท่านก็ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ไม่รู้อันนี้ไม่ได้ทราบความเป็นมาทิสุนีเป็นอุปชาพระสงค์ไทยสองรูปเนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมวาจาหรือทำหน้าที่สวดยติกรรมแล้วก็ผ่านการบวชมา ทีนี้ทางวัดหนองปลาพงซึ่งเป็นต้นสังกัดในท่านเคร่งครัดจริงออิจั ง, จงแต่ก็เคยคุยกันมานานแล้ววัดหนองปลาพงนี่เก่งมากคือสามารถสูงมากสามารถขยายสาขาออกไปเป็นร้อยร้อยสาขาอาจจะเลยสองร้อยไปแล้วก็ได้นะฮะเพราะว่าเวลรนีก็ยางเติบโตไม่หยุดแล้วพื้นที่สร้างวัดแต่ละวัดนั้นก็กว้างใหญ่ไพศาล ก็เฉียดร้อยหรือเกินร้อยหรือหลายร้อยหรือเป็นพันไปทีเดียวอสวนหนึ่งที่ดีมากก็คือเป็นการช่วยอนุรักษ์ป่าไว้เพราะเป็นวัดป่านะฮะแม้แต่นาท่านก็พัฒนาไปเป็นป่าได้อันนี้เป็นความดีงามที่ควรแก่การยกย่องชื่นชมของคนทั้งหลายเดี๋ยวคนเราพอมากออกไปเนี่ยมันติดต่อกันยาก ประสานงานกันยากแล้วก็พูดจากันยากบารมีของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าก็ลดน้อยลงกว่าพระอาจารย์ชาบางครั้งมติสูงที่ไปชุมกันเนี่ยก็สั่งสอนกันได้ตักเตือนกันได้ลงมติกันได้เดี๋ยวคนที่ร่วมลง ม, ม, ม, มตินั้นจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยบางทีเขาก็เฉยเสีย ทรานมูดี้ไม่ใช่พระเด็กนะครับเป็นราชาคณะแล้วอายุพรรษาก็หลายพรรษาก็เรียกว่าสามสิบขึ้นแหละบวชมาตั้งแต่ยุคพระจันชานั่นแหละทีนี้เมื่อท่านทำไปอย่างนั้นปรากฏว่าก็ตกโรงนัดหมายกันว่าห้ามพูดห้ามเผยแพร่ก็เรียกว่าอะไรละ่ะ ก็ทุกคนเนี่ยก็มีหูประตูก็มีช่องนะฮะหรือการกระทำที่เกิดขึ้นอาจจะได้ยินบ้างอาจจะได้ฟังบ้างแล้วก็ข่าวก็เล่าลือมาหนังสือพิมพ์ก็ลงใหญ่เลยที่ประเทศออสเตรเลียหนังสือพิมพ์ไทยก็แปรมาจากออสเตรเลียก็รู้ไปถึงสำนักวัดหนองปะพงหนองปะพงก็สั่ง ตัดขาดจากการเป็นสาขาของวัดหนองป่าพงแล้วก็ทราบว่าเวลานี้ก็เรียกวัดคืนด้วยเพราะวัตินั้นก็าถวายสายพระจนันทราแต่ก็รูปแบบข้อกฎหมายทางวัตสุลีเป็นอย่างไรนี่ก็ไม่มีใครรู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงแต่สรุปว่าการกระทําทั้งหมดสายพระจันทราไม่รับรอง ปัญหารูปแบบเนี่ยคือเรื่องวินัยกับเรื่องกฎหมายเนี่ยมันมีรูปแบบมันเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นกติกาเป็นหลักเป็นหลักการเป็นวิธีการเป็นปฏิบัติการเป็นประสิทธิการหมายความมาทั้งกระบวน ข, งขางเนี่ยมันต้องถูกตรงตามหลักของพระวินัยถ้าไม่ถูกตรงตามหลักของพระวินัยแล้วก็ถือว่าผิดวินัย ทนี้การกระทาที่เป็นสังเกรกรมซึ่งผิดจากพระวินัยเนี่ยมันถือว่าเป็นโมฆะคุยใช้ไม่ได้เพราะว่าโครงสร้างการบวชเป็นภิกษุณีนั้นมันถึงจุดสุดท้ายเนี่ยตอนปลายสุดเนี่ยภิกษุณีคนหนึ่งที่เรียกว่าปวัติ น, หนีหรือเป็นผู้ปรญญ า, าจะทา หน้าที่บวชสชีวินี้ที่เราเรียกว่า ส, าสัตยบริษสมาพระเนี่ยปีละหนึ่งรูปแล้วก็เว้นไปหนึ่งปีแล้วก็บวชได้อีกหนึ่งรูปไม่ใช่บวชแบบพระบวชนะภิกษุณีบวชนั้นจะบวชได้น้อยมากหมายความว่าอุปชาภิกษณุณีหรือประวัตินีภิกษุณีเนี่ยก็จะบวชลุกสิทธิ์ได้ปีหนึ่งก็หกคน หกคนเท่านั้นนะฮะบวชเกินจากนั้นไม่ได้แล้วควันษาต้องเลยสิบสองไปแล้วแล้วก็บวชพิธีกรรมทั้งหมดตั้งแต่ขอบรรชามาเนี่ยกระทำในหมู่ภิกษุณีสงฆ์และเสร็จแล้วเมื่อเสร็จแล้วที่จริงเขาบวชเป็นภิกษุณีเสร็จแล้วนะะถ้าพูดถึงหลักของสังฆกรรม แล้วมีบทปัญญาพิเศษขึ้นมาว่าจะต้องบวช ด, ด้วยอุปตโสงคือสงสองฝ่ายหมายความมาเสร็จในหมู่พิษุนีแล้วก็มาให้สงรับรองสิ่งทีหนะึ่งสงก็ไปไปยุ่งเกี่ยวอะไรกัตอน ต, อน ต, อนตอนอ้นๆเขาหรอกพิษุนีก็มาขอยัติกรรมพ ร, ระก็สวดประกาศเป็นยัติกรรมให้สี่ครั้งก็จบ ก็ถือว่าเป็นภิกษุณีที่ชอบรวยพระธรรมบินฑ์แต่มาคราวมาเข้ามาได้ทีละคนแต่ว่าในคราวนี้คือหนึ่งพระไม่มีหน้าที่สวดเป็นก ร, รมวาจาให้แก่การบวชในช่วงของที่ภิกษุณีเป็นปวตินีคือเป็นอุปัชฌาย์ แต่ก็เป็นกรรมาจาได้ในช่วงปลายคือช่วงที่ภิกษุเป็นพระุปัชฌายา์การบวชร่วมกันอย่างนี้บวชไม่ได้ในสมัยพุทธ ก, กาลก็ไม่เคยเกิดก็มีคนกลุ่มเดียวคือพวกสากิยานีประญาติของพระพุทธเจ้าที่บวชโดยเสด็จพระนางมหาปชาบดีโคตมีตอนนั้นก็กมากันห้าร้อย พระมาประชาบดีโคตมีนั้นพระพุทธเจ้าคือท่านท่านท่า น, ท, านท่านบวชมาแล้วอ่ะท่านปลงผมนุองผมภาการสายะมาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ผ่านพิธีกรรมเมื่อไม่ผ่านพิธีกรรมก็พระพุทธเจ้าก็ทรงประทานคาุธรรมแปดประการให้เวลาถือปฏิบัติตามคารธรรมแปดประการนี้ได้ก็ถือว่าเป็นการบรรพชาเป็นการควรสมบทแก่พระนาง ปนานก็รับก็ถือว่าเป็นภิกษุณีโดยชอบด้วยพระวินัยเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งแรกทีนี้สากยานีที่เหลือซึ่งก็บวชมาแล้วเหมือนกันก็พระพุทธเจ้าให้ไปบวชในสำนักของภิกษุสงฆ์ตอนนั้นก็บวชได้เต็มที่นะฮะคือทั้งห้าร้อยนั่นแหละถือว่าเป็นครั้งแรกมีเท่านั้น จากนั้นมาก็จะบวชทีละรูปดังกล่าวเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงไม่ยุติด้วยพระวินัยพอไม่ยุติด้วยพระวินัยเนี่ยการบวชก็ไม่ถูกต้องการบวชไม่ถูกต้องความเป็นภิกษุณีของผู้นั้นก็ไม่ถูกต้องก็ เ, เรียกว่าเป็นส ม, มณีแสดงตัวเป็นส ม, มณีคือเป็นนักบวชหญิง แต่ก็มาไม่ถูกต้องก็ไม่เป็นสมณีตามพระวินัยเขาเรียกว่าลักเภทขโมยเพศขโมยเพศในมีค่าน้องๆปองปราชิกนะฮะคือหมายความมันจะบวชในพระพุทธศาสนาอีกไม่ได้แล้วผู้ที่เคยขโมยเพศมาก่อนผู้ที่ปลอมบวชมาก่อนจะมาบวชเป็นภิกษุอีกไม่ได้วินัยก็ห้ามไว้ แล้วการที่พระสวดกรรมวาจากก็ณีการภิกษุณีเป็นอุปรชาช ย, ยา ก, ก็ดีแล้วบวชทีสี่สี่คนก็ดีนี่มันผิดหมดเลยนะเอาเฉพาะประเด็นเดียวในประเด็นที่ตนั่งกันอยู่ตรงนั้นแหละมันผิดวินัยตั้งหลายข้อเลยเพราะฉะนั้นเป็นกรรมที่เเรียกว่ากรรมเริ่มได้คือเปลี่ยนแปลงได้ไม่ถูกต้องตามประดามีนในนี่ก็เป็นปัญหา เพราะในเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าการกระทาต่างๆที่อนนาภาระในชาติก่อนๆเขาก็ทําเราจะเห็นว่ามันเป็นระดับของทานระดับของธรรมะปฏิบัติไม่ใช่ระดับของพระวินยัยแต่พอมาถึงปลายสมัยของาศาสนาประกรศสปะสมาสมพุทธเจ้าเนี่ยมันเกิดปัญหาที่ตัวพระวินยัย คือพระวินัยไม่มีเมื่อไม่มีการบรรญชาการบวชสมบูรก็มีไม่ได้ประการบรญชาการบวชสมบูร์มันเป็นเรื่องของพระวินัยไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมะธรรมะเป็นเรื่องสากลหมายความว่าคนจะอยู่ในเพศอะไรก็ปฏิบัติได้มรรคผลเนี่ยอยู่ในเพศอะไรก็ปฏิบตัติได้บรรลุได้แต่ปฏิบัติได้ถูกต้อง แต่นี้มาเล่นคาบลูกคาบดอกอ่ะเพราะคาบลูกคาบดอกมันก็ไม่เป็นสักอย่างเนี่ยศาสนาของประกาศสัปปะสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสื่อมไปเพราะไม่ได้ส่งบัญญัติพระวินัยไว้พระธรรมยังถูกต้องสมบูรณ์แต่ไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการเผยแผ่เพราะผู้เผยแผ่ไม่มีนะผู้เผยแผ่ไม่มี การศึกษาไม่มีเพราะไม่มีผู้ให้การศึกษาการปฏิบัติไม่มีเพราะไม่มีผู้ประพฤติปฏิบัติการเผยแผ่ไม่มีเพราะไม่มีผู้ทาหน้าที่เผยแผ่ศา ส, สนาก็อยู่ไม่ได้ดำรงอยู่ไม่ได้แต่ว่าท่านก็ดำรงอยู่ได้นานถึงสองหมื่นปีของเราในก็มาแค่ 2, องพร่วมหกปีแล้ว แต่ก็จะพากันไปได้ถึงไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนี่คือเรื่องตัวอย่างที่เราเชีย้ยเห็นอย่างหนึ่งว่าการให้ความสำคัญแก่พระวินัยซึ่งเป็นหลักเกณฑ์กติกาที่ทำให้คนเป็นคาเนี่ยโดยรูปแบบในเชิงรูปแบบต่อเป็นเรื่องของพระวินัยแต่เมื่อเจิงเนื้อหาแล้วที่จริงก็เป็นธรรมะ พอเป็นธรรมะก็ไม่มีรูปแบบทินียการไม่มีรูปแบบในมันเสียอย่างหนึ่งคือองค์กรบุคคลที่จะทําหน้าที่ศึกษาทําหน้าที่ปฏิบัติแล้วก็ได้รับสัมผัสผลแล้วก็นําไปสู่การเผยแผ่แล้วก็ดูแล ร, รักษาศาสนาจะไม่มีหมายความศาสนาจะไม่มีคนดูแล ร, รับผิดชอบและใสุดมันก็เสื่อม เราลองสังเกตว่าประเทศลังกาเคยเสื่อมขนาดว่าไม่มีพระเลยทั้งประเทศมีเฉพาะสามเนรรูปเดียวแต่อายุตั้งห้าสิบเอ็ดแล้วเพราะหาที่บวชไม่ได้หาคณะสงฆ์ที่พระผ้ารูปมาบวชให้ไม่ได้จะต้องขอพระไปจากประเทศไทยท่านไม่บวชเราเองนะฮะ การในบวชตัว เ, เองเพราะว่าต้าบวชก็ไม่ชอบด้วยพระวินัยนี่คือหลักการที่รักษามาในทุกศาสนาไม่ใช่ว่าเฉพาะศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เหมือนกันในเชิงเนื้อหาแต่ต่างกันในเชิงรูปแบบนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบัญญัติพระวินัยหรือไม่บัญญัติพระวินัยถ้าศาสนาที่อายุไม่มาก าศาสดายุไม่มากก็จะบัญญัติพระวินัยไว้แต่ถ้ า, าศาสดามีพระชนบรรษายาวถึงเป็นหมืน่นหมื่นปีเนี่ยท่านก็ไม่บัญญัติไว้นี่ก็คือรูปแบบตัวนี้มันจะต่างกันแต่ธรรมะก็คือธรรมะนะฮะธรรมะก็คือธรรมะไม่ได้ไม่ได้แปลอะไรวอันที่จริงไม่ควรทำการบวชภิกษุณีอย่างนั้นไม่ควรทำเพราะว่า สามารถใช้สถานภาพของผู้หญิงนั่นแหละศึกษาปฏิบัติธรรมะได้แล้วถ้าบำเพ็ญเพียรเกิดผลขึ้นภายในจิตก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโยบุคลชั้นต่างๆได้ไม่จาเป็นจะต้องบวชแล้วก็บวชแล้วก็ไม่ถูกต้องด้วยพอไม่ถูกต้องก็อยู่อย่างภิกษุณีที่ไม่ถูกต้อง เมื่อไม่ไม่ถูกต้องก็ไม่เป็นภิกษุณีโดยชอบโดยพระวินัยทำอะไรในกิจกรรมที่เกี่ยวกับภิกษุณีแต่ที่จะเป็นบุญมันก็กลายเป็นบาปไปเพราะเป็นการปฏิบัติที่หลวงโลกเรื่องใหญ่นะฮะปัญหานี้เป็นปัญหาภูเขาเลยแต่คนต้องเชื่อเรื่องบาบุญคุณโทษด้วยถ้าไม่เชื่อเรื่องบาบุญคุณโทษมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องหรอกทีนี้เรากลับมาที่เรื่องเดิมว่าเมื่ออ น, นาภาระเขา ฝากอาหารร่วมกันระหว่างสามีกับพัญญาแล้วก็นำมาถวายแก่พระปเจกพุทธเจา้าพระปเจกพุทธเจา้าก็รับแล้วก็กลับไปในเวลากลางคืนเทวดาผู้สถิตอยู่ที่สเสวชจัดของสุมาณะเศรษฐีเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วได้อมูโนธนาด้วยเสียงอันดังว่า โอทานเป็นบรมทานอันนายอนาภาระเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในพระฤทธาปฏิเเกพุทธเจา้าสุมาณะเศรษฐีได้ยินเสียงนั้นแล้วคิดว่าทานทิเทวดาน牟ทนาด้วยการอย่างนี้เห็นจะเป็นทานสูงสุดทีเดียวจึงขอส่วนบุญในทานนั้นนายอนาภาระก็ได้ให้ส่วนบุญแก่สุมาณะเศรษฐีนั้น สุมนเเศรษฐีมีจิตเลื่อมใสต่อนายอนนาภาระจึงมอบทรัพย์พันหนึ่งให้แก่เขาและกล่าวว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกิจที่ต้องทำการงานด้วยมือของตนไม่มีแก่ท่านจนสร้างเรือนที่พอเหมาะอยู่ประจำเถิดทีนี้ประเด็นที่สุมนเเศรษฐีท่านคือเทวดาก่อนเทวดาเห็นการกระทำดีของคนดี ก็มีความชื่นชมยินดีก็เรียกอนโมธนาครับอนโมทนาหรือมุทิตานั่นแหละก็รู้สึกชื่นชมยินดียกย้องสรรเสริญและอนโมทนาสุมาณะเศรษฐีถ้าหากว่าท่านไม่เป็นคนดีก็ต้องริษยาไอ้ลูกน้องมาทำล้ำเส้นมันล้ำหน้าเรามันทำบุญได้มากกว่าเราจนเทวดายกยองบุชาก็อาจจะ ไปเบียดเบียนในแอนพาระ ก, ก็ได้แต่แสดงว่าท่านก็เป็นคนดีท่านไปขอส่วนบุญขอส่วนบุญนั้นเป็นการอนุโมทนาเขาเรียกว่าปัตตาโนโมทนาใหม่บุญสมเร็จโดยการอนุโมทนาส่วนแห่งบุญที่ก็อื่นเขาทำแล้วท่านได้บุญเพราะอนุโมทนา น, น, นายอนณภาระก็ได้บุญเพราะปฏิทานใหม่คือให้สูตรบุญแล้วก็ได้บุญเพราะธานใหม่คือการให้ทานได้บุญเพราะการแสดงอ่อนน้อมต่อพระประัิ เ, เจ้าพุทธเจ้าเป็นอปัจญาใหม่บุญแล้วก็ได้บุญเพราะการสวายความเคารพความ สักการะนับถือต่อพระเปตปัจเจกพุทธเจ้าเพราะงั้นก็าท่านทำบุญได้เยอะนะฮะในขณะเดียวกันนั้นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระเปตพระพุทธเจ้าเป็นยอดแห่งทักกิณียบุคคลที่รองลงมาจากพระพุทธเจ้าแล้วข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือท่านเกิดในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมาด้วยตั้งแต่สมัยประกศาศสัสมะธรรมสมาสมุสมสมธเจ้าเฉพาะที่เล่านะฮะ ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าสุมนามอกปรมุตะระตามที่เล่าไว้แเจ้าพสังสารวัตรอนยาวนานนั้นคนเรามีความประพฤติเขาเรียกว่าไม่สม่ำเสมอมนุษย์เราส่วนใหญ่จะเป็นผู้ไม่สม่ำเสมอในหมู่ชนที่มีความสม่ำเสมอคนที่สม่ำเสมอในที่นี้หมายถึงคนที่ทําดีอย่างต่อเ น, นื่อง เขาไรียกว่ลงล็อกแล้วท่านเป็นของท่านอย่างนี้เองประสวดาบานกี่ท่านกี่ท่านก็เป็นอย่างนี้เองอะ่ะอาจจะต่างกันที่วาสนากริยาการวาจาที่พูดกริยาบทต่างๆนั้นเป็นเรื่องวาสนาของท่านแต่กิเลสที่ท่านละได้ธรรมะที่ท่านปฏิบัติได้ก็ทัดเทียมกัน ดำรงอยู่หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวก็กลายเป็นผู้คงที่ตั้งจุดนี้ไปจนถึงสมุนเต็มที่ก็คือพระราหารันที่เรียกว่าตาชิโ น, โน่เนี่ยคือเป็นพระราหารันแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าการทรงตัวเริ่มทรงตัวได้ดีเนี่ยตั้งแต่ประโสดาบันขึ้นไปถ้ายังเป็นสามัญชนแล้วก็การทรงตัวไม่แน่นนกก็แกล่งไปแกว่งมาอยู่ได้เรื่อย เพราะนนอนนภาราเมื่อได้ให้ส่วนบุญของตนแล้วก็ก็เห็นผลกันทันตาจากทาตคือผู้รับใช้ภายในบ้านก็กลายเป็นคนครองเรือนครองสุขคือให้เงินหนึ่งพันกหาปณะนะสมบัติฉลาดอย่างนอนนภาราเนี่ยมันส่วนหนึ่งก็สร้างบ้านได้แต่ส่วนหนึ่งก็เป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพได้ แกก็สามารถที่จะอยู่ครองเรือนครองสุขได้กับพัญญาของตัวเองแล้วก็เพราะเหตุที่บินทบาที่ทถวายแก่พระประัจกรกพุทธเจ้านั่นเองพอดีที่สำคัญอย่างยิ่งก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าแต่ทำไมบุญมันมาเร็วหรเหละ่ะไอ้นี้มันปะสมบุญด้วยสัมปทาคุณสัมปทาคุณสี่ประการ ประการแรกคือวัตถุสัมปทาคนที่รับทานนั้นเป็นพระปัิเจกพรพุทธเจ้าสองปัจจัยสัมปทาของที่นำมามอบริจาคนั้นแม้จะไม่ค่อยประณีตอะไรเท่าไรก็ตามเพราะว่าเป็นของของคนใช้แต่ว่าจิตใจท่านประณีตแต่ของนั้นก็สุดๆดแล้วสําหรับท่านก็คือดีที่สุดแล้วสำหรับท่านมันก็ถือว่าปัจจัยกับประณีต เจตนานั้นมีสถานหรือเรื่มใส่ที่เปี่ยมล้นในพระปฏิกระกพฤติจักแล้วสําคัญอย่างยิ่งก็คือพระปฏิกระกพุทธเจ้านั้นออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆเป็นคุณิตริสัมปทาคุณาดีเรกสัมปทาคือสมบูรณ์ด้วยคุณแล้วพอดีถวายเป็นคนแรกพอถวายเป็นคนแรกมันก็เป็นทวีคูณตรีคูณขึ้นมา ในชั้นแรกได้รับรางวัลจากท่านสุมนณาเศรษฐีในวันนั้นสุมนณาเศรษฐีเมื่อจะเข้าไปเฝ้าประชาจึงได้พานายนาอันนาภาละ น, นไปด้วยประชาได้ทอดประเน็ดดูเขาด้วยความเอื้อเฟื้อเศรษฐีได้กราบทูลว่าผู้นี้เป็นผู้ที่สมควร ที่พระองค์จะส่งทอดพระเนตรโดยแท้แล้วกราบทูลบุญกุศลที่เขาได้กระทําไว้ในครั้งนั้นในเรื่องที่โตนให้ทรัพย์พันหนึ่งแก่เขาประชาสงสดับเรื่องนั้นแล้วทรงยินดีได้ส่งพระราชทานทรัพย์พันหนึ่งแล้วก็ส่งประธานสถานที่ปลูกสร้างเรือนแก่เขาด้วยพระดํารัสว่าเธอจงสร้างเรือนอยู่ในที่ชื่อนนทถึงจะลงมาได้เงินสองพันแล้วก็ได้ที่ดิน ได้ที่ดินได้เงินสองพันแล้วก็ได้ที่ดินก็ได้ผลเห็นในวันนั้นพวกผผผลเห็นทันตาเนี่ยมันองค์ประกอบสี่ประการเนี่ยจะเห็นผลทันตาเพียงแต่ว่าจังหวะจังหวะที่เราจะเจอพร้อมกันสี่อย่างเนี่ยมันหายากแสนยากสมัยพระพุทธเจ้าสี่สิบปีเนี่ยมันมีประมาณรักหกคน ที่ได้ผลเห็นทันตาในวันนั้นคือรวยจากจนคนจนไม่คนรวยในวันนั้นก็นมีอยู่สี่ห้าคนก็ไม่ใช่มากอะไรเท่าไรเพราะเมื่อนานภาระกระวังให้คนช่วยกันจำรัสสถานที่ทรงนั้นอยู่หม้อคุมทรัพย์ใหญ่ๆก็ได้ผุดขึ้นมาเห็นหม้อคุมทรัพย์เหล่านั้นแล้วได้กลับทูลพระราชาให้ทรงทราบ องทรงรับสั่งให้ขนหม้อขุมทรัพย์ทั้งหมดมาแล้วให้กองไว้สัตหีบว่าในเมืองนี้ในเรือนของใครมีทรัพย์สมบัติประมาณเท่านี้เ ร, เรามเราอาจขาราชบริพารกรับทูลว่าไม่มีใครเลยพระเจ้าค่าระราชาสัตว์ว่าถ้าเช่นนั้นขอให้ห น, นายอนนภาระจงเป็นเศรษฐีอยู่ในเมืองนี้และรับสั่งยกฉาดเศรษฐีขึ้นแก่เขาในวันนั้นวันเดียวนะฮะมารวดเดียวมาเลย ในการที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเราพิสูจน์ไม่ได้ในปัจจุบันการพิสูจน์ไม่ได้ไม่ได้หมายความไม่มีเพราะอย่าลืมเหตุปัจจัยเบื้องต้นที่สัมปทาคุณสี่ประการเนี่ยเราไม่เคยเจอในประเทศไทยเรายังไม่มีตัวอย่างบุคคลที่เจอสัมปทาคุณสี่ประการแล้วคุณภาพทางด้านจิตใจของอันอ น, นอนภาระเองก็ดีเหลือเกินนะครับ คือในแวดวงการปราบพื้นที่นั้นเป็นคนของแก่ล้วนๆเห็นทองเห็นเงินจะเก็บไว้เป็นของส่วนตัวก็ได้เพราะว่าที่ดินของแกเนี่ยแต่วแกไม่ทําเป็นคนซื่อสัตว์สุจริตถือว่าเป็นทรัพย์ของแผ่นดินทรัพย์ของแผ่นดินก็ไม่ทําถึงเราจะเห็นว่าความคิดบันทางต่างกันเยอะนะกับคนยุคในปัจจุบัน คนยุคในปัจจุบันมะแต่รู้ก็จะจะว่าเงินหลวงเนี่ยก็ยังยักยอกกันยังมีการคอรับชั้นกันการโกงกินกันในอณาภาละเป็นเงินของแผ่นดินแต่มันอยู่ในที่ดินของตัวเองแกก็ยังถือว่าพระราชาให้แผ่นดินน่ะไม่ใช่ให้เงี้ยไม่ใช่ให้ทองอะ่ะเผนทองก็คงเป็นของพระราชาอยู่เป็นของแผ่นดินอยู่ แล้วก็ไปกราบทูลดังกล่าวความซื่อสัตย์สุจริตของแก่มันก็กลายเป็นเกราะ บ, บังศาสพรองปกป้องของแก่เอาไว้แล้วก็ไปหนีให้เจริญเจริญเจริญจนขนาดว่ากลายเป็นเศษชีลยกชัดได้เป็นเศษชีเอาในวันนั้นเลยจ่าจ่า ก, กันเลยเห็นกันในวันนั้น อันนี้เป็นบุญญาอุภาเป็นอุภาแห่งบุญที่มันเขาเรียกว่าบุญญาพิสันธาคือการหลั่งไหลมาของบุญแต่พอดีเราหาตัวอย่างได้ยากอย่างที่บอกว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าประหารเต็มไปหมดเนี่ยก็ยังมีอยู่สือห้ารายการเท่านั้นเองพอมาถึงปัจจุบัน ในความพร่องเนี่ยมันอาจจะพร่องที่ตัวปัจจัยอาจจะพร่องที่ตัวผู้รับอาจจะพร่องที่ตัวผู้ให้มันสมดุลกันหมดสี่เรื่องเนี่ยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในหลายๆ ล, ล, ล้านเนี่ยอันหาไม่ได้แต่เราก็เห็นความยิ่งใหญ่ของบุญเพราะว่าในช่วงติดติด ก, กันเนี่ยในอนณาพาราทำบุญเยอะมาก ตั้งแต่อัปญญาใยหม่แสดงความอดน้อมต่อพระปัิเจับพุทธเจ้าเกิดกุศลละเจตนาถวายทานพร้อมด้วยพัญญาแล้วถวายด้วยมือของตัวเองถวายด้วยความเคารพแล้วก็แบ่งส่วนบุญให้แก่สุมาณะเศรษฐีซึ่งเป็นเจ้านายแล้วพระราชาก็ส่งแสดงอนุโมทนาชื่นชมยินดีเป็นที่รับรู้ มันแสดงถึงพัฒนาการก้าวหน้าของสังคมที่ว่า เ, เห็นคนอื่นก็ได้ดีแล้วก็อนุโมทนาเนี่ยชื่นชมยินดีตามปกติแล้วพอเห็นคนอื่นก็ได้ดีมักจะริษยากันที่ยุ่งยุ่งในบ้านในเมืองเราเนี่ยเราจเจ็นว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาหลายปีวันนี้ที่จริงถ้าเราสาวไปให้เจอแล้วเป็นริษยาตัวเดียวแท้ๆเลยเป็นเรื่องของริษยากันและกัน คนไทก็รู้กันอยู่พอสังคมไทยมันมากไปเรื่องริษยามากเลยเกินแล้วลเป็นที่เรื่องน่าสังเกตนะเคยสังเกตจากพวกภาพประยนต์พวกหนังสืออะไรแต่ไรต่างๆของเอเชียเนี่ยเอ๊ะทำไมมันริษยากันเยอะล่ะเกินอ้าวพอไปศึกษาเรื่องของยุโรปอเมริกาเอ๊ะมันก็คือกันอ้าวบริษัทเดชาเอี่มันก็ริษยากันเยอะจริง